อันเป็นที่ละชาติและชราณที่นี้เธอจังก็คนแก่นะบอกว่าข่าพระองค์นี้เป็นคนแก่มีกําลังน้อยปราศจากผิวพันธ์ก็คือข่าพระองค์เป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าเป็นผู้ใหญ่ล่วงการผ่านวัยไปโดยลําดับมีอายุร้อยยี่สิบปีแต่กําเนิดเนี่ยนะ mm hmm. อายุมากมีกําลังน้อยก็คือทุรพลมีกําลังน้อยมีเรี่ยวแรงน้อย <c oughs>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 หรือตะแคงข้างแล้วก็ตอกเหลาเหล็กเอาไว้ในช่องหูถลกหนังแล้วก็ทูบกระดูกพันเอาไว้เหมือนตั้งไม้ไม้บ้างรถตัวด้วยน้ํามันอันร้อนน้ำมันเดือดบ้างให้สุนัข ก, กัดกินเนื้อที่บ้างเอาหลาเสียบไว้บ้างตัดศีรษะบ้างก็เพราะมีรูปนะเขาจึงลงโทษด้วยประการต่างๆการประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเป็นโรคภัยต่างๆที่มีมีอยู่ทุกวันก็เพราะมีรูปนั่นแหละ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 มันคำว่ารูปปันติคือคำว่าเดือดร้อนกำเริบลำบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าเสียวเออนะวาดเสียวถึงโทษเดือดร้อนลำบากถูกเบียดเบียนถูกฆ่าโทมนัดพะโรคตาโรคหูโรคจ ม, มูกโรคลิ้นโรคกายโรคปวดหัวโรคปวดคอโรคถักสารพัดโรคที่มันลงในร่างกายเนี่ยนะไม่กระทั่งความหิวสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยองลมแดดและสาดเสื้อด้วยคลานทั้งหลายมันก็เดือดร้อนในเรื่องรูปเนี่ยนะเจ็บป่วยทำมาหากินลำบากทุกข์ร้อนกับเรื่องรูปนี่แหละ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 สกุลคณะอาวาสเปลี่ยนกว่าเดือดร้อนลาบยศสันเสริญสุขเปลี่ยนก็เดือดร้อนปัจใจศีจีวณบินธบาเซนาสนาักีฬานปั จ, จัยเภสัชบริขารสิ่งเหล่านั้นถ้าเสื่อมไปเสื่อมไปรอบเป็นไปปราดอันตรธานไปชนทั้งหลายก็เดือดร้อนเ น, นลองอะไรมั่งเราไม่เดือดร้อนเนี่ยนะถ้ามันมีปัญหาเลยนะฮะยากเต็มทีนะเฉพาะสิ่งที่เรารักนะเพราะฉะนั้นชนทั้งหลายก็เดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลายคําว่าเป็นผู้ประมาทนะนะ คนที่เดือดร้อนในพ่อรูปนะก็คือเพราะเป็นผู้ประมาทก็คำว่าผู้ประมาทก็คือความปล่อยความเพิ่มความปล่อยจิตไปในการยั่วทูจิตวจีทุจริตมโนทูจริ ต, รตขณะใดที่ปล่อยให้ความชั่วเป็นไปทางกายวาจาจิตขณะนั้นเรียกว่าประมาทหรือปล่อยใจเพลิ้นไปในการมคุณ5รูปสวยๆเสียงพราะๆกลิ่นห้อมๆอย่างนี้ก็เรียกว่าประมาทหรือถ้าเจริญกุศลก็ไม่ทําเนืองๆทำหยุดหยุดประพฤตยิย่อย่อน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 เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นโทษในรูปอย่างนี้ก็เป็นพึงเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือทําด้วยความเคารพความทําเนืองเนืองนี่นะคำว่าไม่ประมาทในหน้าสามสิบก็คือความเป็นผู้ความเป็นผู้ทําด้วยความเต็มใจทําเนืองเนืองไม่หยุดประพฤติไม่ย่อย่อนไม่ปร่งฉันท่าไม่ทอดทุระไม่ประมาทในกุศลธรรม คือความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะความเพียรให้กิเลสร้อนทั่วความเพียรชอบความตั้งใจความประกอบเนืองเนืองใดในกุศลธรรมว่าเมื่อไรนะเราจะบำเพ็ญศีลขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์หรือพึงอนุเคราะห์ศีลขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายพึงบำเพ็ญสมาธิขันที่ยังไม่บริบูรณ์ให้บริบูรณ์บำอนุเคราะห์สมาธิขันที่บริบูรณ์ด้วยปัญญาอนนะ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 นะความพอใจความพยายามความหมั่นความเป็นผู้มีความหมั่นความไม่ถอยหลังสติสัมปชัญญะนะดังกล่าวไปทั้งหมดนั้นนะเรียกว่าไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายคือปรารถที่จะให้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนคันที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็อนุเคราะห์ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนที่ที่เกิดขึ้นแล้วให้บริบูรณ์ยิ่ ง, งขึ้นไป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 รูปของท่านพึงดับไปในภพนี้แหละฉันใดความมีปฏิสนธิอีกก็ไม่พึงเกิดไม่เกิดไม่พึงบังเกิดเพราะไม่พึงบังเกิดไม่พึงบังเกิดเฉพาะในการมาทา่รปปรท า, ารูปประธาติอรูปประธาตินันะเพราะถ้าท่านตัดฉันทราคาในโลกก็เพื่อไม่ปฏิสนธิในภพสามในการมาพบรูปประพบอรูปประพบสัญญาพบอสัญญาพบเนวสัญญานาสัญญาพ เอกโอการภพจตุโวโการภพปัญจโวโการภพในคติอุบัติปฏิสนทิสงสารวัตต์อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพึงดับคือสงบถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ระ ง, งับไปในภพนี่แหละฉันนั้นเพราะฉะนั้นท่านจงละฉันธราคะในรูปเสียเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนีคำว่าสรุปว่าชนทั้งหลายผู้มัวเมาย่อมเดือดร้อนในเพราะรูปทั้งหลาย เพราะเห็นชนทั้งหลายลำบากอยู่ในพาะรูปทั้งหลายดูก่อนปิงคียะเพราะเหตุนั้นท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทละรูปเสียเพื่อความไม่เกิดต่อไปเนี่ยนะแม่คือคือปิงคียะเนี่ยเขาเขาเดือดร้อนเรื่องรูปมันนะอายุมากแล้วนะก็เดือดร้อนเรื่องรูปลำบากเรื่องรูปฉันคนผู้มัวเมามผู้ประมาทก็เดือดร้อนอยู่ในรูปนี่แหละเพราะฉะนั้นคนเขาลำบากเพราะรูปท่านก็เป็นผู้ไม่ประมาทละรูปซะเพื่อความไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะ ท่านพระปิงนคยะฟังแล้วก็ไม่บรรลุก็กล่าวต่อไปว่าทิศทั้งหลายทั้ง10ทิศคือทิศใหญ่4ทิศน้อย4ทิศเบื้องบ น, บนเบื้องต่ําพระองค์ไม่ทรงเห็นแล้วไม่ทรงได้ยินแล้วไม่ทรงทราบแล้วหรือไม่ทรงรู้แจ้งแล้วอ่ะแม้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีทิศทั้ง10ทิศเนี่ยนะพระองค์รู้หมดอ่ะขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะที่ข่าพระองค์พึงรู้แจ้งอันเป็นเหตุและชาติและชาราต่อไปเถิดเนี่ยนะ ไอ้พระองค์เนี่ยบอกธรรมะที่รู้แจ้งแล้วก็บรรลุนิพพานอย่างเดียวฮะคาถามก็ถามประเภทจะขอ nippan อย่างเดียวทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทิฏทั้งสิบนะทิฏสิบทิฏใหญ่สี่ทิฏน้อยสทิศบนทิฏต่ําความว่าทิฏหนึ่งคือประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าในหน้าสามร้อยแปดสิบอธิบายถึงประโยชน์นะ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 รูปปัตหาสัทธตันหาคันธาตันหารสตันหาโพธะตันหาธรรมตันหาเรียกว่าตันหาคือชนผู้ถูกตันหาครอบงำก็เดือดร้อนเนี่ยนะผู้ถูกตันหาครอบงำไปตามตันหาเล่นไปตามตันหาจมอยู่ในตันหาถูกตันหาครอบงำมีจิตอันตันหายึดไว้เพราะฉะนั้นจงเห็นพบพิจารณาตรวจพิจารณาเห็นคือเห็นอยู่ซึ่งหมู่มนุษย์ผู้ถูกตันหาครอบงำ ก็เดือดร้อนนะ่ะนะเพเดือดร้อนเพราะอ่าเดือดร้อนเพราะชาติชราพญาที่มรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะทุกในนรกเป็นต้นเนี่ยนะในหน้า16อธิบายไว้อย่างดีที่ท่านภาษาริบุตรนิเทศไว้ว่าทุกในนรกทุกในกําเนิดเตระชานทุกในเปรตทุกใน มนุษย์ทุกในการก้าวลงสู่คันทุกขในการตั้งอยู่ในคันทุกพิกรคลอดออกจากคันทุกขของสัตว์ผู้ติดตามสัตว์ผู้เกิดมาแล้วทุกเกิดจากความเพียรของตนทุกข์ที่เกิดจากความเพียรของผู้อื่นทุกขทุกสังขารทุกข์วิปริณามทุกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคมองคลอดลิซิดวงจมูกร้อนในชราโรคท้อง โรคสลบโรงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเลือนฝีกลากหืดลมบ้าหมูหิดด้านหิดเปื่อยคุทธราชลำ ล, ลาบเนี่ยนะลำลาบคุทราชใหญ่รเครากเลือดโรคดีโรคเบาหวานริศดวงทวารต่าบานทโรคอาภาที่มีดีเสมหะลมเป็นสมุทฐานอาภาที่เกิดจากฤดูแปลไปเปลี่ยนอิรยาบทไม่สมาเสมอเกิดเพราะความเพียรเกิดพระผลของกรรม ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะทุกที่เกิดจากเหลือบยงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานความตายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องพี่น้องหญิงของลูกสาวหรือว่าญาติชิปหายพวกทรัพย์เสียหายโรคชิปโรคป่วยพ่ะโรคเสืส่อมศีลเสียทิฏเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าทุกทั้งหลายนะผู้ที่มีความทุกทั้งหลายเหล่านี้ก็เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะถูกตันหาครอบงําก็เดือดร้อนอยู่ในกองทุกเหล่านี้นี่แหละ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 รูปของท่านพึงดับในภพ น, นี่แหละฉั้นใดความมีปฏิสนธิอีกก็ไม่พึงเกิดคือไม่พึงบังเกิดไม่เกิดเพราะไม่บังเกิดไม่บังเกิดเฉพาะในการมธาตุรูปธาตุและอารมณ์ธาตุไม่พึงบังเกิดในกาภพรูปภพอารมณ์ภพไม่พึงบังเกิดในสัญญาภพอสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพในเอกวกรภพจตุวกรภพปัญจโวการภพในคติอุบัติปฏิสนธิสงสารวัตต์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 ค่าวัคริบพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติเนี่ยนะนั่งนำมาสการพระพุทธเจ้าประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระศาสดา ข, ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกชนิแลเนี่ยนะก็เป็นผู้บรรลุแล้วเนี่ยนะ